วันนี้ขึ้นชัตถีวิพัตยันตปะะัฏะบทที่มีชัตถีวิพัตอยู่สุดท้ายชัตถีวิพัตใช้ในอัตหกอย่าง 1. สัมพันธะ 2. ทุติยัตทะ 3. ตะติยัตทะ 4. ปัญจมยัตทะ 5. สัตตมยัตทะ 6. อนาทังรัตะสัมพันธะโดยความหมายคําว่าสัมพันธะนี่แปลว่าเกี่ยวข้อง แปลว่าเกี่ยวข้องสัมพันธะมีเนื้อความเกี่ยวข้องกับบทอื่น11ฐานะสัมพันธะมีถึง11สัมพันธะสัมพันธะแรกกะสามีสัมพันธะคำว่าสามีเนี่ยแปลว่าเป็นเจ้าของสามีสัมพันธะจึงแปลว่าเกี่ยวข้องโดยความเป็นเจ้าของคะพันดะสามพันธะพันดะแปลว่าวัตถุสิ่งของ พันดะสัมพันธะเกี่ยวข้องกับวัตถุสิ่งของฆะสมีปะสัมพันธะสมีปะแปลว่าใกล้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่อยู่ใกล้ฆะสมูหะสัมพันธะสมูหะแปลว่าหมวดหมู่กลุ่มก้อนกองรวมกัน ส, สมูหะสัมพันธะเกี่ยวข้องโดยรวมกันเป็นกองเป็นหมวดเป็นหมู่ n g อวัยวะสัมพันธะอวัยวะแปลว่าส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งอวัยวะสัมพันธะเกี่ยวข้องโดยเป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งจะวิการระสัมพันธะวิการระแปลว่าเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปชะการริยาสัมพันธะการริยะแปลว่า ผลของการกระทําการิยสัมพันธะเกี่ยวข้องโดยเป็นผลของกิริยาชะอวัถาสัมพันธะอวัถาแปลว่าที่ตั้งที่อยู่ที่อาศัยอวัถาสัมพันธะเกี่ยวข้องโดยเป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ชะชาติสัมพันธะเกี่ยวข้องโดยชาติแล้วก็ยะคุณสัมพันธะคุณก็แปลว่าคุณ ลักษณะเกี่ยวข้องโดยเป็นคุณตะกกริยาสัมพันธะเกี่ยวข้องกับกริยานามเป็นต้นอันนี้เป็นสัมพันธะทั้งหมด11ฐานะต่อไปข้อ2ก็คือทุติยัตถอัตทุติยาวิพัฒน์แปลฉัดถีให้เป็นทุติยานั่นเอง 3. ตติยัตถอัตตัติยาวิพัฒน์แปลฉัดถีให้เป็นตัติยา สปัญจมยัตถอัดปัญจะมีวิพัตแปลฉัตรถีให้เป็นปัญจมี 5. ้สัตตมยัตถอัดสัตตมีวิพัตแปลฉัตรถีให้เป็นสัตตมี 6. อาณาทังรัตถอัดอาณาธรคําว่าอาณาทังระนี่ก็แปลว่าไม่เอื้อเฟื้อไม่แยแสไม่ใยดีก็คือจากไปแบบไม่ใยดีนั่นเองเรียกว่าอาาธรไม่เกื้อกูลกัน ทั้งหมด6อัดนี้เป็นอัดของฉัตรถีวิพัฒน์เราจะมาว่าไปตามลําดับทีละอย่างเปิดต่อไปข้อหนึ่งฉัตรถีวิพัฒน์ในอัดสัมพันธะแปลว่าแห่งแปลว่าของฉัตรถีวิพัฒน์ตัววิพัฒคือตัววิพัฒคือคืออะไรฉัตรีวิพัฒน์ตัววิพัฒคื อ, ค อ, อ, ะววคอสะนางแปลทั้งหมดว่าแห่ง ของเมื่ออชัตถีวิพัฒน์ตั ว, วิพัฒคือสระและนังคำแปล ร, รวมกันว่าแห่งว่าของว่าเมื่อชัตถีวิพัฒน์เฉพาะที่แปลใช้ในอัตสัมพันธนะนี่แปลว่าแห่งแปลว่าของไม่แปลว่าเมื่อนะไม่มีแปลว่าเมื่อมาดูตัวอย่างข้อกะกะนี่เป็นสัมพันธะอะไรสามีสัมพันธะเป็นเจ้าของดูนะเป็นเจ้าของเป็นยังไง ใครเป็นเจ้าของผู้นั้นแหละลงฉัฏถีวิพัตดังนั้นบทไหนที่เห็นฉัฏถีวิพัตผู้นั้นเป็นเจ้าของดูตัวอย่างกะเทวานามินโทเป็นสนธิตัดบทเป็นเทวานังอินโธ เ, เทวานังบทหนึ่งอินโทบทหนึ่งอินโทแปลว่าผู้เป็นจอมอย่างจอมจอมพลจอมทัพอะไรพวกนี้ อินโทผู้เป็นจอมเทวานังของเทวดาทั้งหลายหรือแห่งเทวดาทั้งหลายเทวานังเป็นนางฉัตถีวิพัฒน์หูพจน์จอมแห่งเทวดาใครจอมเทวดานะพระอินครับพระอินอินโทเพราะเป็นจอมนี่เองเขาจึงเรียกว่าพระอินพระอินถ้าเมื่อไหร่เขาเรียกว่าสักกะก็แปลอย่างอื่นถ้าเมื่อไหร่เขาเรียกมควานก็แปลอย่างอื่น เขาเรียกพระอินเนี่ยเพราะว่าเป็นจอมของเทวดาสุดยอดของเทวดาใครเป็นเจ้าของจอมเนี่ยเทวดาใครก็ตามเป็นพระอินเนี่ยมีเทวดาทั้งหมดเป็นเจ้าของพระอินนี้เป็นของพวกเทวดาไม่ใช่เป็นของมนุษย์ไม่ใช่เป็นของพรหมพระอินเนี่ยเป็นของเทวดานั้นเทวดาหลายที่ถือว่าเป็นเจ้าของพระอินสามีสัมมันทะต่อไปมิคาณังราชามิคาณัง แปลว่าแห่งเนื้อทั้งหลายราชาแปลว่าพระยาพระย า, ะยาราชาพระยามิคานังแห่งเนื้อทั้งหลายพระยาเนื้อรัญโยปุงริโสรัญโยแปลว่าของพระราชาปุงริโสบุรุษรัญโยปุงริโสบุรุษของพระราชา ก็คือราชบุรุษนั่นเองพยาเนื้อพยาเนื้อราชาก็ใช้ได้แต่สไทยท่านใช้ว่าพยาพยาแห่งเนื้อพยาเนื้อพยาแห่งเนื้อต่อไปเซติโนท่านังเซติโนทนังเซติโนแปลว่าของเศรษฐีกี่คนคนเดียวคนเดียวเป็นเอกพจนะเซติโนทนังแปลว่าทรัพเศษติโนท่านัง ทรัพย์ของเศรษฐีแล้วใครเป็นเจ้าของทรัพย์เศรษฐนะีเป็นเจ้าของทรัพย์ทรัพย์ของเศรษฐีปากกาของเราเราก็เป็นเจ้าของปากกาเทวานามินโธจอมแห่งเทวดาทั้งหลายมิคานางราชาพญาแห่งเนื้อทั้งหลายรัญโยปุ่งทิโสบุรษของพระราชาเศรษฐีโนทนัง รั์ของเศรษฐีต่อไปข้อค่ะแปรรวมที่ไหนอะันเนี้ยเนี้ยเนียของใครของมันเนี่ยเนี้ยมีคอม่าคอมไายแล้วอุทางหอนใครอุทางหอนมันมันหลายอุทาหอนมาอยู่ด้วยกันนั่นแหละแต่ละประโยชน์สั้นๆแค่นั้นแหละเอางี้ละกันให้สังเกตอย่างนี้นะชัดถีวิพัฒ์เนี่ย ไม่แปลเข้ากิริยาเลยดังนั้นชาติถิวิพัฒน์จึงไม่ถือว่าเป็นการะกะเราเรียนมาแล้วสรุปมาแล้วชาติถิวิพัฒน์คำแปลของชาติถิวิพัฒน์จะไม่แปลเข้ากิริยาเด็ดขาดจะแปลเข้านามเท่านั้นดังนั้นในประโยคของชาติถิวิพัฒน์เนี่ยเห็นไหมจะไม่มีกริยามีแต่นามนามนามเพราะไม่แปลเข้ากิริยาแปลเข้านาม ดังนั้นสติวิพัฒน์สัมพันธ์เข้ากิจยาไม่ได้จึงไม่มีฐานะเป็นกาลกะเลยกาลกะก็ไม่เป็นวาจกก็ไม่เป็นสาธาณะก็เป็นได้เล็กๆน้อยๆดูข้อขะนะประหูตังเมทนังสักกะประหูตังมาจากปะบทหน้าหูธาตุหูสัตตายังในความมีความเป็นตะแปลว่าแล้วปะหูตัง หูที่แปลว่ามีแปลว่าเป็นนะแต่ถ้ามีปะอยู่ข้างหน้าแปลว่าเพียงพอ <c oughs> ปะหูตังแปลว่าเพียงพอเพียงพอพอเพียงเพียงพอเนี่ยนะเ <c oughs> มแปลว่าของเราท่านังสับสักกะเป็นอาละปณะสักกะเป็นอาละปณะสักกะฆ่าแต่เท้าสักกะเท้าสักกะเทวราชนั่นแหละฆ่าแต่เทา้ า, เทาสักกะ ท่านังซับเมของข้าพเจ้าประหูตังเพียงพอทรัพย์ของข้าพเจ้าเพียงพอมีมากพอตั้งเองค้าว่าเพียงพอคือมีมากต่อไปประโยคที่สองเอกัสะปฏิวีโสปฏิวีโสกลัวจะแปลไม่ได้ใส่คําแปลเอาไว้ในวงเล็บว่าภาโคถ้าแปลปฏิวีโสไม่ถูกให้แปลว่าภาโคถ้าภาโคแปลไม่ได้ให้แปลว่าปฏิวิโส ถ้าแปลปฏิวีโสและภาโคไม่ได้ก็ให้แปลว่าภาโคและปฏิวีโสปฏิวิโสแปลว่าภาคะแปลว่าภาคแปลว่าส่วนแปลว่าส่วนปฏิวีโสส่วนเอกัตส์ของคนผู้เดียวของผู้เดียวส่วนของผู้เดียวส่วนของคนหนึ่งแบ่งส่วนกันนะ ส่วนนี้เป็นของคนเดียวส่วนนี้เป็นของคนเดียว10คนก็10 ส, ส่วนส่วนของคนคนเดียวส่วนของคนผู้เดียวหรือว่าส่วนของผู้เดียวต่อไปภิกขุสะปัตตาจีวังรังเอาแปลบังปัตตาจีวังรังบาทและจีวรนภิกขุสะของภิกษุบาทและจีวรของภิกษุข้ขอขะนี้เป็นสัมพันธะอะไร เอาเปิดย้อนคืนไปดูสินี่ไงพันดาสัมปันทะพูดถึงวัตถุสิ่งของเป็นเจ้าของสิ่งของนะจะไม่ใช้ข้อนี้ก็ต้องหมายถึงวัตถุสิ่งของทรัพย์ส่วนบาทจีวออรเนี่ยนะเป็นสิ่งของอ่าใช่ต่อไปข้อฆะข้อฆาณี้เป็นสมีปาสัมปันทะต้องหมายถึงสิ่งที่อยู่ใกล้อมภวณัสสะอวิทูงเร อวิทูงเรแปลว่าในที่ไม่ไกลเท่าทูงระเนี่ยแปลว่าไกลทวิทูงระนี่แปลว่าไกลมากอวิทูระจึงแปลว่าไม่ไกลมากก็คือไม่ไกลเท่าไหร่อวิทูงเรในที่ไม่ไกลนักอัมพวันัตสะแห่งป่ามะม่วงในที่ไม่ไกลป่ามะม่วงก็คือใกล้ๆป่ามะม่วงนั่นเอง ต่อไปนิพานตเสวะนิพานัสะสเอวะสันติเกสันติเกก็แปลว่าอวิธูงเกรอวิธูงเกรก็แปลว่าอาสันเนแปลว่าใกล้งไงสันติเกในที่ใกล้นิพานตเสวะแห่งพระนิพานนั่นเทียวในที่ใกล้แห่งพระนิพาน ตอนนี้เราอยู่ในที่ใกล้แห่งพระนิพพานแล้วเนี่ยเข้าใกล้พระนิพพานสมีปะต่อไปข้อค ข, ข้อคะขอละครังนี้อาจว่าสมูหะรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นกองเป็นหมวดเป็นหมู่ดูทาหรสุวนนสรรณสังราสิราสิตัว น, นี้แปลว่ากอ ง, งราสิกองสุวรรณสั แห่งทองคํากองแห่งทองมีเงินเป็นกองมีทองเป็นกองใครมีเงินเป็นกองถ้าเทกระปุกออมสินออกมาก็กองใหญ่เหรียญบาทเป็นกองพิกขขนังสมูห์หสมูหอแปลว่ามูพิกขขนัง แห่งภิกษุทั้งหลายมูแห่งภิกษุทั้งหลายต่อไปข้องะข้องะนี้เป็นสัมพันธะที่เรียกว่าอวัยวะแปลว่าองค์ประกอบหรือชิ้นส่วนดูนะอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งมนุษย์สัตว์สัตมาดูนะมนุษย์สัตว์สัตเสวะมนุษย์สัตว์เสวะนะมนุษย์สัตว์เสวะเตสีสังสีสังแปลว่าศีสระ เตของท่านของเจ้ามนุษย์สัตส์เอวะเนี่ยมันเป็นอีวะไม่ใช่เอวะเป็นมนุษย์สัตส์อีวะแยกสนธิออกมาแล้วเป็นสนธิที่บอกว่าลบสระหน้าแล้ววิการสระหลังจําได้ไหมวิการสระหลังอีเป็นเออเป็นโอจำได้ไหมถ้าวิการอะลบสระหน้าแล้ววิการอีเป็นเอ แยกออกมาเป็นมนุษย์สัตสะบวกอีวะไม่ใช่เอวะนะอีวะแปลว่าเหมือนเพียงดังราวกับเป็นเช่นประดุดดังมนุษย์สัตสะอีวะเหมือนของมนุษย์ศีรษะของเจ้าเหมือนของมนุษย์อะไรที่หัวเหมือนมนุษย์มัง้งอีวะแปลว่าเหมือนเป็นอุปมามีลิงกับนกอยู่ในป่าหิมพันทะเลาะกันเสียงดังลั่นป่าเลย แค่เสียงนกนี่ก็ลั่นอยู่แล้วถ้าเสียงลิงอีกไม่ต้องลิงกับนกทะเลาะกันเมื่อไหร่เสียงลั่นป่าเนี่ยวันหนึ่งฝนตกทําให้สัตว์ป่าต่างเงียบไปตามๆกันเลยต่างหลบฝนนกเนี่ยนะคาบเอากิ่งไม้ใบหญ้ามาทํารังแล้วก็ใบไม้มาทําเป็นรังเวลาฝนตกมาเนี่ยนกไม่เปียกฝนแม้รั่ว ล, ลดลงมาปีกนกก็ป้องกันฝนให้ ให้ลูกให้ไข่ได้นอนอยู่ในรังสบายส่วนลิงเดินตุ ป, ปัตตัปเปไปทั่วหาที่หลบก็ไม่ได้ทําที่อยู่ก็ไม่เป็นเห็นรังนกก็เลยหัวซุกเข้าไปในรังนกหวังจะพึ่งพารังนกนกก็เลยชี้ปีกด่าไม่มีมือเนี่ยชี้ปีกด่าว่านี่เจ้าลิงดูศีรษะเจ้าก็เหมือนของมนุษย์ แต่ทําไมปัญญาไม่เหมือนมนุษย์เลยดูสิมนุษย์เขาปลูกบ้านปลูกเรือนอยู่หลบแดดหลบฝนได้เจ้าทําไมทําไม่เป็นเคยเห็นลิงสร้างบ้านไหมมีแต่คนสร้างไว้แล้วมันไปรือ้อสร้างไม่เป็นมีแต่รื้อย่างเดียวเท่านั้นแหละเจ้าลิงไม่พอใจอะไรหัวสุกหน่อยเดียวด่าซะแล้วเลยรื้อลังนกทิ้ง <c oughs> <c oughs> ตามภาษาลิง <c oughs> แทนที่จะได้สํานึกกลับไม่ละลานซะเลยนะยชาโดก ค, ครับ นี่แหละเนี่ยทำนกด่าลิงว่ามนุษย์สัตว์เสวะเตศีสังเนี่ยศีรษะของเจ้าดูเหมือนของมนุษย์แต่ทําไมปัญญาไม่มีเหมือนมนุษย์อ่ะดูต่อไปรุกขัสะสาขาสาขาแปลว่ากิง่งรุกขัดสะของต้นไม้กิ่งของต้นไม้ศีรษะก็ดีกิ่งก็ ด, กดีก็เป็นอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง นันก็เป็นอวัยวะสั ม, สมพันธะนะต่อไปข้อจข้อจนี้เป็นวิการคระสัมพันธะความเปลี่ยนแปลงของวัตถุสิ่งของมาดูนะอะไรเปลี่ยนอะไรบ้างต่อไปดูทาหรสุวรรณสรวิกติวิกติแปลว่าความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนไปความแปรรูปหรือาการแปลงรูปนะวิกติเนี่ยสุวรรณสรแห่งทองคํา แปง ร, รูปทองคําเป็นอะไรบ้างอะแปรรูปทองคําเป็นสร้อยแหวนเงินทองเอาทองมาแปรรูปดังนั้นอะไรที่แปรรูปไปแล้วเขาเรียกว่ารูปประพันธ์ทองรูปประพันธ์เป็นสร้อยสร้อยคอสร้อยข้อมือเครื่องประดับต่างๆอีกอุทาห ון หนึ่งพัฒนญานังสัตสตุสัตว์ตัวนี้แปลว่าข้าวสัตว์หรือไม่สัตว์ก็แปลว่าข้าวตู สตุเนี่ยข้าวสตุข้าวตูข้าวสตุตสตพัททน ญ, ญานังแห่งแป้งข้าวทั้งหลายจะทํำสตุเนี่ยต้องเอาข้าวที่นวดทิ่บด ท, ที่ปนเป็นแป้งแล้วถึงจะทําได้เอาเป็นเม็ดๆ ม, มาทําให้เป็นข้าวสตุสตุศัพท์นี้นอกจากจะแปลว่าข้าวสตุแล้วยังแปลว่าอริด้วยแปลวะ่าศัตรูข้าวตูกับศัตรูสตุสับเนี่ย รวนทั้งแปลเป็นพระราชกุมารองค์หนึ่งได้นะเจ้าชาสัตร์ก็สัตตุสัพท์นี้เหมือนกันสัตตุสัพท์ก็คือเอาแป้งข้าวมาทําเป็นข้าวตูนั่นเองดูต่อไปต่อไปข้อฉะข้อฉะนี้เป็นการกิริยสัมพันธะการกิริยสัมพันธะก็คือแสดงผลของกิริยาการกระทําดูนะยวัฏอังกุโร อังกุงโรนี้แปลว่าหนอ่อมอไม้อะ่ะหนอ่อม้อย่างเช่นพุทธังกูลก็หน่อมพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นยวัฏะอังกุงงระแปลว่าหนอยวัฏะแห่งข้าวยะวะข้าวยะวะนี่แปลว่าข้าวเหนียวบ้างแปลว่าข้าวบาเล่บ้างแปลว่าข้าวสาลีบ้างยะวะหนอข้าวเหนียวต่อไปเมคัสสะสัตโท สัทโธแปลว่าเสียงเมฆัสสะแห่งเมฆเสียงแห่งเมฆเสียงของเมฆบาลีท่านจะบอกว่าเมฆนะส่งเสียงนะไม่ใช่ฟ้านะฟ้ามันไม่มีเสียงมีเมฆเมื่อไหร่ถึงจะมีเสียงมีแต่ฟ้าไม่มีเสียงงนั้นบาลีจะเรียกว่าเสียงเมฆไม่เรียกว่าเสียงฟ้าเสียงเมฆร้องไม่ใช่เสียงฟ้าร้องของเราว่าฟ้าร้องคือมันเสียงอยู่บนท้องฟ้าบาลีจะ บาลีจะใช้ว่าเมฆคารามไม่ใช่ฟ้าคํารามเมฆคํารามต่อไปปุตตาปิตัสสะพะหาโวปุตตาปิแม้บุตรทั้งหลายตัดสะของเขาพะหาโวมีมากมีบุตรหลายคนเขามีบุตรหลายคนปุตตาแม้บุตรทั้งหลายตัดสะของเขาพะหาโวมีมากมีหลายคน ครับพระหูเป็นเอกเป็นพระหูพจน์ตามปุตตาไม่ใช่โอที่เห็นเนี่ยเป็นโยวิพัตแล้วก็อูเป็นวะเป็นนามพระหูศัพท์นั่นแหละขยายปุตตาเป็นพระหูพจน์ต่อไปข้อชะข้อชะชอช้างนี้อวัตถาสัมพันธะพูดถึงที่อยู่ที่ตั้งว่าอะไรตั้งอยู่ตรงไหนอะไรอยู่ตรงไหนดูตัวอย่างขันทานังปาตุภาโว Women, ขันธานังชะราขันธานังเพโทขันธานังแปลว่าแห่งขันทั้งหลายแห่งขันห้านั่นเองอ่ะขันทั้งหลายนับแล้วก็ได้ห้านั่นแหละขันทั้งหลายเนี่ยปาตูพาโวแปลว่าความปรากฏความมีปรากฏหรือแปลว่าความเกิดขึ้นนั่นเองปาตูพาโวความปรากฏขันธานังแห่งขันทั้งหลาย ขันธานังชะงราความแก่แห่งขันทั้งหลายความคล่าค่้าแห่งขันทั้งหลายขันธานังเพโทความแตกดับแห่งขันทั้งหลายความเกิดแห่งขันความแก่แห่งขันและความแตกดับแห่งขันเกิดขึ้นแก่ไปแล้วก็ดับไป olha. นั่นเองความปรากฏความแก่และความแตกดับ ต่อไปข้อชะชกเชอร์อาว่าชาติสัมมันทะเกี่ยวข้องกับการเกิดเกิดเป็นอะไรบ้างดูนะมนุษย์สัตสภ า, าวภาวความเป็นมนุษย์สัตส์แห่งมนุษย์ความเป็นแห่งมนุษย์ก็คือเป็นมนุษย์นั่นเองอะ่ะเกิดเป็นมนุษย์ความหมายง่ายงายอะ่ะความเป็นแห่งมนุษย์อันบุคคลได้ยากกิดโชมนุษย์สัสภ า, าวกิดโฉได้ยากได้ลำบาก มนุสสสะพาวกิจโชเนี่ยไหมความเป็นแห่งมนุษย์ได้ยากเคยว่าไหมกิจโชมนุสสปฏิลาโภต่อไปมนุสสานังชาติชาติการเกิดแห่งมนุษย์นะมนุสสะนังหรือว่าชาติทับศัพท์ว่าชาติมนุสสะนังแห่งมนุษย์ชาติมนุษย์ไม่ใช่มนุษยชาติครับชาติมนุษย์ครับถ้ามนุษยชาตินั้นหมายถึงมนุษย์ครับไม่หมายถึงชาติ น, นี่หมายถึงชาติชาติแห่งมนุษย์ชาติแห่งมนุษย์ก็มีชาติสูงชาติปานกลางชาติต่ำชาติสูงก็คือชาติที่อุดมเช่นเกิดมาแล้วสามารถทาคุณอย่างใดอย่างหนึ่งให้ปรากฏได้เช่นเป็นผู้รักษาศีลบ้างถวายทานบ้างฟังธรรมจงเจริญสมาธิภาวนาบรรลุโสดาปติมมักเป็นต้นเรียกว่าชาติอุดม ส่วนชาติปานกลางก็คือมาอย่างไรเป็นอยู่อย่างนั้นส่วนชาติต่ำก็คือมาดีแต่มาทาแล้วไม่ดีมาดีมาเกิดเป็นมนุษย์นีดีแล้วแต่ว่ามาทำบาปมาทำกรรมชาติมนุษย์เหมือนกันต่อไปข้อเนื้คุณะสัมรันธาเกี่ยวข้องกับคุณดุทาหรสุวรรณสวันโนวันโนแปลว่าผิวพันธ์ หรือว่าสีสันสุวรรณสระแห่งทองสีแห่งทองวันละแห่งทองต่อไปพุทธสระคุณโคโสคุณโคโสการประกาศซึ่งคุณพุทธสระของพระพุทธเจ้าการโฆษณาคุณของพระพุทธเจ้าว่าอีตีปีโซโพระคาวานั่นแหละ คุณโคโสละสวดทวพุทธคุณนั่นแหละเรียกว่าพุทธคุณโคโสการประกาศสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าปุบผานังคันโทคันโทแปลว่ากลิ่นคันโทกลิ่นปุบผานังแห่งดอกไม้ทั้งหลายถ้าเป็นกลิ่นของดอกไม้แม้จะใช้คําว่าคันโทเฉยๆซึ่งเป็นคํากลางๆนะซึ่งมันมีสุคันโทกลิ่นหอมทุกคันโทกลิ่นเหม็น แต่ในในี้คันโถยเฉยเนี่ยแปลว่ากลิ่นหอมกลิ่นหอมของดอกไม้ต่อไปพระลานังรัศโ์ระศโงรโสงรพระลานังแห่งผ ล, ลไม้ทั้งหลายรสของผ ล, ลไม้มีรสหวานรสขมมีรสอะไรรสหวานถ้าพูดรสเฉยเฉยเนี่ยหมายถึงรสหวานรสหวานของผ ล, ลไม้รสมีอยู่หรส รสอะไรบ้างหกรสอะเปรี้ยวหวานเค็มฝาดขมอะไรอีกอ่ะจืดถ้าจืดก็ไม่มีรสเขาถ้าจืดเมื่อไหร่เขาจะบอกว่าไม่มีรสเปรี้ยวหวานเค็มฝาดขม อ่าเผ็ดอ่มีอีกหนึ่งเผ็ดต่อไปข้อสุดท้ายตะตะนี้เป็นกริยาสัมพันธ์นะพูดถึงกริยาการความเป็นไปของต่างๆดูตัวอย่างปาทัศน์อุขิปนังอุขิปนังแปลว่าการยกการย่างยกหนอย่างหนอนั่นแหละอุขีปนังการยกขึ้นปาทัศแห่งเท้า ยกเท้าขึ้นเราก็บอกว่าพาทสะอุขีปนงังต่อไปอไไหัดทัศสะสมินชนังสะมินชนังแปลว่าการคูคูเข้างอเข้าคูเข้างมเข้าเนี่ยสมินชนังการคูเข้าหัดทัศแห่งมือแห่งแขนหัดทะเนี่ยนะเอาทั้งหมดนะตั้งแต่หัวไหล่ไปจนถึงปลายนิ้วเรียกว่าหัดทะหมดเลย การคูเข้าแห่งมือแห่งแขนปาทัศประสางกระห น, นังประสางกระหนังแปลว่าเหยียดแปลว่ายืนแปลว่ายดืยดการเหยียดออกปาทัศแห่งเทา้ายกเท้าขึ้นอะไรนะคูแขนเข้าหรือเหยียดเท้าออกก็ให้มีสติกำหนดรู้ต่อไปมีอุทาหอนเสริมเข้ามาให้เห็นชัดๆ จะได้ใช้ฉัตรถิวิภัชได้มากขึ้นดูข้อหนึ่งอีทังกัศสันตกังสันตกังนี่แปลว่าวัตถุสิ่งของอะไรก็ตามนะทุกอย่างสันตกังหมดเลยที่เป็นข้าวของที่มีเจ้าของอ่ะสันตกังสิ่งของอีทังนี้กัศของใครหรือจะถามว่าอีทังนี้สันตะกังเป็นของหรือเป็นสิ่งของกัะของใคร เป็นซับก็ได้นะสันตะการ์แปลว่ารัย์ก็ได้แปลว่าสิ่งของก็ได้นี้เป็นของใครหรือถามง่ายๆของใครเนี่ยเนี่ยของใครเราบอกไมมว่าคืออะไรเราไม่ต้องบอกถ้าเห็นกันอยู่เช่นปากกาล้วก็ไม่ถามบอกปากกาใครเนี่ยแล้วก็บอกอา้าวนีของใครก็รู้ว่าคือปากกานั่นแหละก็ของเราไงเราไม่ใช่ไม่ไม่ชอบว่ามามะเราก็ใช้ต่ว่าใช้อย่างอื่นไปก็ได้ ปุริสัสะปุริสานังกัญญานังสกุณานังสานังใส่ไปได้ทั้งนั้นน่ะของใครอีทังวามะสันตะกังนี้เป็นของกับผมเป็นของข้าพเจ้าใครก็ได้อำหะศัพท์ใช้ได้ทุกลิงอ่ะดูข้อสองอ่ะท่าน อีทางกัดสะวัดถังวัตถุนี้ของเอ้าเอา ว, วัดถังไม่ได้แปลว่าวัตถุผ้าครับผ้าอืมเอ้าผ้านี้ของใครอื ม, อ, ม, อ, มอีทางมะมะวัดถังผ้านี้เป็นของผมอืมอีทางกัดสะวัดถังนี้เป็นผ้าของใครหรือว่าผ้านี้ของใครอีทางมะมะวัดถังนี้ผ้าของผมหรือว่าผ้านี้ของผมอันไหนก่อนก็ได้นะข้อสามอ่ะ เคหังแปลว่าบ้านแปลว่าเรือนอีทั้งกัสก์เคหังบ้านนี้ของใครอีทังมะมะเคหังบ้านนี้ของผมเคหังแปลว่าบ้านแปลว่าเรือนขอ้อสข้อสอยังกัศปัโตอยังเมปัโตปัโตแปลว่าบาดถ้าปุตโตแปลว่าบุตรปัโตแปลว่าบาดบาดพระอุ้มเนี่ยนะไม่ใช่บาดแผนะ เวลาไปบวชอุปชาก็บอกว่าอยันเตปัตโตนี้เป็นบาทของเธออยันเตสังคาติอยันเตอันตรวาอันตรวาสโกอายันเตอุตรสังคังอะไรนะมันจะบอกจะใช้อยันเตอายันเตถ้าเป็นของเราก็อยังเมอย่างนี้แหละต่อไปข้อ6ข้อ5อยังกัสปุโตนี้เป็นบุตรของใคร หรือใช้คําว่าคนนี้ก็ได้คนนี้บุตรของใครอยังเมปุโตคนนี้บุตรของข้าพเจ้าต่อไปข้อหกอยังกัสสธีตาอยังเมธีตาผู้นี้เป็นธิดาของใครอยังเมธีตาผู้นี้เป็นธิดาของดิฉันโยมต่อไปข้อเจ็ดอิทังกัสสชีวัง อ๋อผู้หญิงอาตมาได้พิก <laughs> <laughs> สุนีสามเณรี <laughs> ได้ทั้งนั้นนะอ่ะอาตมาได้ <laughs> <laughs> <laughs> ได้ทั้งนั้นได้ทั้งหมด <c oughs> ได้ทั้งสามลิง <c oughs> บุกลิงอิทีลิงได้หมดอีทังกัศจีวังรังจีวรผืนนี้ของใครอีทางเมจีวรังจีวอนี้จีวอผืนนี้เป็นของข้าพเจ้าข้อ8อ้าโยมโยมเกียรติพลเย ต, ติอ่างนะ ทรัพย์สินนี้ของท่านหรือณ ย, ย, ย, ยี่สิบเยาวนิยะสิณยิณยีทางตัดสนที่เป็นณยี่ทางเป็นตัดออกมาเป็นณบวกอีทางณบวกอีทังลงยะอาคมเอาแค่นี้ก่อนทรัพย์สินนี้หาไม่ได้อืนี้ไม่ใช่ทรัพย์ของข้าพเจ้า แล้วของใครล่ะทางรักสะสันตะังอีทางนุตวะสันตะังอีทางนี้สันตะังเป็นทรัพย์ตวะของท่านนุหรือหรือเปล่าณยิทางตัดเป็นณบวกอีทังณยิทางมะมะสันตะังอีทางนี้สันตะังอนะสันตะังไม่ใช่ทรัพย์มะมะของข้าพเจ้า สันตะการเป็นทรัพย์ทางรกัสษาของเด็กชายข้อเอิมานินุตุ ม, มหาการ์ปันนานิปันนานิหนังสือทั้งหลายอิมานิเหล่านี้ตุมหาการ์ของท่านทั้งหลายนุหรือหนังสือเหล่านี้เป็นของพวกท่านหรืออามะพันเต<ะ>ใช่จ้ะใช่ครับ อีมานิตุมอัมหากังอิมานิอัมหากังปัรณานิหนังสือทั้งหลายเหล่านี้ของพวกข้าพเจ้าข้อ10อีทังอาจังกฤยสวานิสานังวาเลคีกังเลคีกังปากา ก, าก็ได้ดินสอก็ได้เครื่องเขียนทุกอย่างก็ได้เลคีกังปาก า, กาอีทังด้าม น, นี้อาจังกฤษสวาเป็นของอาจารย์หรือ ศิษานังวางหรือว่าของศิทย์ทั้งหลายอาจังกตษสะพันเตเป็นของอาจารย์ครับขอบอ้อ11บอ็าข้อ11อัมมหากังคาโมสิ ป, ปาคางระโตวอวิทุงเรโฮติคาโมหมู่บ้านอัมหากังของเราทั้งหลายโฮติ มีอยู่อวิธูงเรในที่ไม่ไกลนักสิบฟากางกระโตจากโรงเรียนคําว่าไม่ไกลนักแต่มันไกลใกล้แค่ไหนอ่ะเอา้าเขาบอกเขาบอกไม่ไกลนักแต่มันจะไกลได้ไงคําว่าไม่ไกลนักนี่ก็คือว่าอ่าก็แปลว่าใกล้เนี่ยถามว่าใกล้แค่ไหนเอางี้ละกัน ท่านเรียกว่าใกล้หรือไกลเนี่ยหนึ่งได้ยินเสียงไก่ขันสองได้ยินเสียงหมาเห่าสามได้ยินคนร้องเรียกกันสี่ได้ยินเสียงโคร้องห้าไกลไกล่บินหมดแรงหลกตกลงไปตรงไหนก็ตรงนั้นเลยเรียกว่าใกล้ไม่ไกลถ้าเกินกว่านี้เรียกว่าไกล ทางเงียบๆกลางคืนเนี่ยนะหมาลองหมาเห่าห้องห้องโอ้โหได้ยินสี่หกิโลแ น, นะต่อไปข้อสุดท้าย12อาจักริยานังโอวาโทอัมมหากังประโยชน์ันังทัทาติเอาโยมถึงไหนแล้วอ่านบาลีก่อนโอวาโทโอวาตอาจริยานังของททาติยอมให้ ประโยชน์นังซึ่งประโยชน์อัมมหากังของหรือแกให้ของหรือให้แกให้ของหรือให้แกก็ต้องแกไม่ใช่ของแล้วอาจังริยานังโอวาโทโอวาตของอาจารย์ทั้งหลายทัฏฐาติย่อมให้ประโยชน์นังซึ่งประโยชน์ อมมหากรังแกงเราทั้งหลายโอวาทของอาจารย์ให้ประโยชน์แก่พวกเราทีนี้มาดูภาคภาษาไทยนี้ทรัพย์ของใครนี้ทรัพย์ของใครอีทางกัศ ส, สนันตะกังนี้ทรัพย์ของพวกเรานี้ทรัพย์ของพวกเราอีทังของพวกเรานี่แสดงว่าเราหลายคนอี ทังอัมหากังสันตะกังไม่ใส่สันตะกังก็ใส่ท่านังได้เพราะคำว่ารับเนี่ยมีตั้งหลายคำสันตะกังก็ได้ทนังก็ได้ข้อสองซั์เหล่านี้ของใครทีนี้เหล่านี้แล้วนะทีเนี้ยเป็นอีอีเมได้ยังไงอะอีมานิอีมานิสันตะกานี้หรือทนานิกัตซะ อิมาน like ิกัตสะสันตกานิหรือทนานิอิมานิทนานิทรัพย์เหล่านี้กัตสะของใครทรัพย์เหล่านี้ของนักเรียนอิมานินักเรียนบาลีว่าไงนักเรียนสิสัสสัสนี่ก็นักเรียนคนเดียวอ่ะสิสัสสัทนานิหรือสันตกานิ อิมานิสิทธสัตตะ ท, าทานานิหรือสิทสัตตะสันตะการนิก็ได้เหมือนกันต่อไปข้อ3เงินทั้งหมดนี้ของท่านหรือเงินเลยนะใส่สันตะกังไม่ได้แล้วตอนนี้เงนินใส่สิทั้งหมดทั้งมีคําว่านี้ด้วยมีคําว่าทั้งหมดด้วยทั้งหมดนี้ไม่ใช่เหล่านี้ สับพังแปลว่าทั้งหมดนี้แหละนี้อีทั ง, อ, ทงอืมท่านังของท่านหรือโนตวังโนตวังเลยโนตะวนตะวเอาเรียงประโยค์ให้ถูกหน่อยเอาว่าเอาของท่านหรือขึ้นมาก่อนสิ <laughs> มันจะได้ง่ายของท่านหรือตะวะนุตุมหังตุมหัง ตมหังนุแต่ว่านุไม่มีโยมใช่ตุมหังนุแล้วก็อีทางสับพังทนังตุมมหังนุอีทังสับพังทะนังอีทังสับพังทะนังทรัพย์ทั้งหมดนี้ตุมหังนุของท่านหรือคําตอบก็บอกว่าเงินทั้งหมดนี้ไม่ใช่ของข้าพเจ้าดอก เป็นของคุณสุมนาอา้าวณยทางเอาเริ่มเป็นสนธิได้แล้วเนี่ยอา้าวณยี่ทางณยีทา ง, ทางสับพั ง, พงทนา ง, งไม่ใช่ของข้าพเจ้าหรือว่าไงข้าพเจ้าวะรีว่าไงข้าพเจ้ามามะเหรอมามะก็ได้ตะวะามามะก็ได้อำหังก็ได้ณยีทางสับพังทนางแล้วก็เขียนว่าอย่างนี้ นยิธังสับพังมะมะทะนังนยิธังสับพังมะมะทะนังนี่ไม่ใช่ของขระพเจ้าของคุณสมนาแล้วก็เขียนว่าสมณะฮะ ส, ม น, สมนายะสิอิถ <laughs> ีลิงอ่ะสุมนายะทะนัง หรือสุมนายทนังนั่นแหละนะสุมาสุมนายทนังเป็นของคุณสุมนาเป็นทรัพย์ของคุณสุมาณาข้อสี่หนังสือเล่มนี้ของอาจารย์หรือของเธอหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่ของอาจารย์ไม่ใช่ของฉัน ปัญญาเหรอปัญญาหรือปัญนาปัญญาหรือปัญน า, ญญ า, ญนาเขียนไปหนังสือเล่มนีน้หนังสือเล่มเดียวอ่ะทางปัร น, นางต่อไปของอาจารย์หรือของเธออาจรารย์กยษสวาของเธอคําที่มันได้เสียงเพราะคนนี้น่อยตะวววาเ <c oughs> มือ่อยคางหน้าเลุยตะวววา <c oughs> มีทั้งหลายคําอ่ะของเธอเนะ่ยเ <c oughs> ตไม่ได้มันไม่ได้อยู่ตําแหน่งที่สองแล้ว ตุ้มหังตวะเตแล้วก็ตุมหังใช้ตุมหังตุมหังตุยหังให้ตุมหังละกันตุมหังอ้าวดูนะหนังสือเล่มนี้ของอาจารย์หรือของเธอแล้วก็บอกว่าอีทังอาจารย์กิยสวาตุมหังวาปันนังอีทัง อาจังกติยัสาวาตุมหังวาปันนังคำตอบหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่ของอาจารย์คนนัยีทางเหมือนเดิมนั่นแหลนะนัยิทางอาจังกริยักษาวาอาจังกิยัตสะแล้วก็ของดิฉันนะ่ะก็เป็นอําหังอําหังวา อาจริยสวาอัมหังวาแล้วก็ปันนังมันเดิมมาแหละเปลี่ยนเพียงยีทังเป็นณยีทงังอาจริยสวาอัมหังวาไม่ใช่ของอาจารย์ไม่ใช่ของข้าพเจ้าเป็นของใครก็ไม่รู้ น, นี่แสดงว่าเขารู้หรือไม่รู้เาตอบอย่างนี้รู้ว่าไม่ใช่ของอาจารย์รู้ว่าไม่ใช่ของฉันเนี่ยแต่ไม่รู้ของใครถ้าบอกถ้าเราจะพูดว่าไม่รู้สิยางนี้ก็ณนะชานามิ ณชานามิไม่รู้ณชานามิไม่รู้ข้อห้าสุดท้ายหมู่บ้านของท่านอยู่ที่ไหนหมู่บ้านของท่านมีอยู่ที่ไหนมีอยู่ที่ไหนบ้านของท่านอยู่ที่ไหนกูหิงกูหังกะหังกะวะกุทะกัตทะได้นั่นนะแต่ถ้าจะใช้ให้ชัดที่สุดก็ใช้ว่ากัตทะนะชัดที่สุดเลยนะกัถะแปลว่าที่ไหน กไก่ต่อเต่าจุดเอถุง hmm> กัดทแล้วก็ของท่านล่ะของท่านของท่านตะวะหรือเตก็ได้เพราะอยู่ตำแหน่งที่สองนะกัดทเตกัดทเตคาโมคาโมแล้วอะไรต่อไปมีอยู่มีอยู่โหติกัดทาเตคาโมโหติบางท่านอยู่ที่ไหนก็บอกว่าหมู่บ้านของข้าพเจ้า มีอยู่ที่เขตพระนครคําว่าเขตพระนครว่ายังไงพระนครว่ายังไงพระนครพระนครคําว่าพระนี่ไม่มีความหมายอะไรใส่วันณคาระเฉยๆเขตเตเขตพระนครน่ะนัคระเขตเตแล้วก็ของข้าพเจ้าละเมนคระเขตเตเม หมู่บ้านล่ะหมู่บ้านคาโมมีอยู่ล่ะโห ต, โตินักขั้ระเขตเต เ, ตเมคาโมโหติหมู่บ้านของข้าพเจ้ามีอยู่ในเขตพระนครเราอยู่ในเขตอื่นไม่ใช่เขตพระนครก็เปลี่ยนนักระออกไปใส่อะไระบางกะปิเขตเตลาดพร้าวเขเตเขตไหนอีกล่ะให้บางกรวยเนี่ยเขาเรียกเขตเหรอท่านเขาเรียกอำเภอ ถ้าไม่ใช่เขตเขตเนี่ยเขาใช้เฉพาะในในพระนครส่วนในส่วนนอกเนี่ยเขาเรียกอำเภอจังหวัดรอบนอกเขาเรียกอำเภอท้าอำเภอเนี่ยเขาไม่ใช้ว่าเขตเตยเขาใช้นิคมะครับเนี่ยครับท่านมาจากบ้านนิคมต้องบอกว่าบางกรวยนิคมะครับไม่เหมือนกันในเขตเมืองหลวงเขาเรียกเขตจริงแต่ว่าต่างจังหวัดเนี่ยเขาเรียกว่านิคมะนิคม เข้าเฉยๆในเครือข่ายอะไรเข้าเฉยๆแต่ว่ามันคือจังหวัดมันยังไม่ใช่กรุงเทพเฉพาะมหานครเท่า น, นั้นที่ใช้เขตธนรให้เฉยไม่ใช้เขตเอาละพอ